พวกเรารู้จักองคุลิมานนะเป็นอย่างดีนะองคุลิมานี่เป็นโจนร้ายนะในสมัยพุทธกาลซึ่งตอนหลังก็มาบวชเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าตอนที่บวชใหม่ๆก็เป็นผู้ที่ศึกษาขนไควในพระธรรมคราวหนึ่งก็ได้ยินพระพุทธองค์ตรัสสอนให้สแสวงหากะยานมิตร พระองคุลิมายน์ก็น้อมรับนะแล้ว ก, ก็ไปเจอกับพระรูปหนึ่งนะซึ่งอยู่กุฏิใกล้ๆกันเป็นผู้ที่บวชก่อนเรียกว่าพันเตคือพระนันทิยะพระนันทิยะนี่ก็มีประวัติน่าสนใจนะเพราะว่าท่ า, านเป็นผู้ศรัทธาในการบวชมากเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ไม่อยากให้บวช ท่านก็ถึงกับไม่กินข้าวอดอาหารจนที่สุดพ่อแม่ก็ยอมให้ท่านมาบวชพระนันทิยะก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติก็ในช่วงของการสนทนาพ่อองคุริมา ก, ก็ถามพระนันทิยะว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งสอนอะไรพระนันทิยะบ้างพระนันทิยะ ก, ก็เล่า ข้อความก็น่าสนใจนะก็คือท่านพูดว่าพระพุทธวิปภาค้านะสอนให้ปล่อยให้วางข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าและท่ามกลางไม่ยึดติดในอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจ หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นก็ให้ปล่อยให้วางเป็นกองๆองอย่าแบกเอาไว้แล้วท่านก็พูดต่อไปเป็นให้เป็นตัวอย่างเขาเด่า ว, ว่าเราบนบกก็ยาวติดตัวลงน้ำเขาว่าเราในน้ําก็ให้วางไว้ตรงนั้นนะอย่าเอาอย่าแบกเอาขึ้นบน ไปบนบกด้วยเขาว่าเขาด่าว่าเราในเมืองก็ให้กองไว้ตรงนั้นอย่าแบกเอาเข้าวบันในวัดคือเชตวันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคําคกล่าวของพระ น, นธสัญญานี่ยที่สรุปรวบคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนท่านเอาไว้ซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะว่าจุดเน้นอยู่ที่เรื่องการปล่อยวางปล่อยวางทั้ง ข้างหลังข้างหน้าและทากลางหมายความว่าอย่างไงก็คืออดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันอารมณ์ใดที่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็วางไว้เป็นกองกองที่พระพุทธเจ้าเนนเรื่องการปล่อยวางก็เพราะว่าความทุกข์ของคนเรานะอันที่มายถึงทุกข์ใจนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากความยึดติดและสิ่งที่เรายึดติดนะ จนเป็นเหตุให้ทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตเวลาเราเสียใจยเราเสียใจยเรื่องอะไรนะเราก็เสียใจยเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งสิน้นเวลาเราโกรธเนี่ยเรามักจะโกรธเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคําพูดของใครบางคนการกระทําของใครบางคนที่ทําร้ายเราเวลาเรารู้สึกผิดเนี่ยเรารู้สึกผิดกับเรื่องอะไร กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วกับสิ่งที่เราทําไม่ดีกับผู้มีพระคุณหรือกับเพื่อนเวลาเรากังวลเรากังวลเรื่องอะไรนะเราก็กังวลกับเรื่องที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราเองไปตรวจนะสุขภาพหมอก็บอกว่าอีกสามวันมาฟังผลบางคนก็กลัวแล้วบางคนก็กังวลแล้ว ว่าผลจะเป็นอย่างไรหรือว่าผลนี้จะออกมาเป็นลบหรือเปล่า้ความกังวลทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากการที่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเช่นเดียวความกลัวนะเรากลัวเรามักจะกลัวเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ตอนหน้าแล้วกระทั่งกลัวผีเนี่ยนะมันก็คือกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นอาการที่เกิดกับ อะไรก็ตามที่ยังไม่เกิดกับเราแต่ว่านึกเอาไว้ก่อนพอนท่านั้นก็กลัวนอนในวัดอยู่กติคนเดียวนะกลัวสารพัดนอนสองคนยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอนอนคนเดียวนี่กลัวแล้วเรากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเสียใจความโกรธความรู้สึกผิดความ พี่ตกกังวลความกลัวทั้งหมดเนี่ยนะเราเรียกว่าความทุกข์แล้วก็จะเห็นได้ว่านะมันก็ลอยลวแต่เกิดขึ้นเมื่อใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจไปนะหมกมุ่นคุ้นคิดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะรวมทั้งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วนะความทุกข์คนเราเนี่ยความทุกข์ใจคนเราส่วนใหญ่มันเกิดเพราะเหตุนี้อย่างพวกเราเนี่ยนะ ถ้าว่าเรานั่งตรงนี้แล้วใจเราก็อยู่กับตรงนี้นะมันจะมีอะไรให้ทุกใจบ้างมีน้อยมากอย่างแล้วก็ตามนะพระพุทธเจ้าก็สอนพระนันทียาว่าแม้กระทั่งปัจจุบันก็อย่ายึด ต, ติดหมายความว่ายัางไงนะก็หมายความว่าเวลามีอารมณ์มากระทบกับเรากระทบทางตาทางหูทางจมูกเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอารมณ์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่รับรู้นะไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูก อารมณ์ในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงอารมณ์ที่เป็นเรื่องของความรู้สึกคาว่า อ, อ, อารมณ์ในพุทธศาสนานี่มีความหมายกว้างสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือไม่ทางทา ง, ทางใจที่เป็นปัจจุบันถ้าเราวางใจผิดก็คือไปยึดติดถือมั่นกับมันเราก็ทุกข์ได้ง่ายๆนะ เช่นเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังนะในศาลานี้หลายคนก็จะรู้สึกไม่พอใจเนะพราะอะไรเพราะใจไปยึดติดอยู่กับเสียงและพอใจยึดติดปักตรึงอยู่กับเสียงนั้นนะมันก็ยิ่งทําให้หงุดหงิดมากขึ้นเพราะว่ายิ่งไปจดจ่อกับมันเสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของเราจนกระทั่งบางที ฟังคำบรรยายนะที่กําลังแสดงอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องหรือไม่ปฏิปติต่อก็ยิ่งทําให้ไม่พอใจมากเข้าไปใหญ่เสร็จแล้วก็อาจจะคิดต่อไปว่าทําไมไม่ปิดโทรศัพท์นะไม่รู้จักกาลเทศะนี่ว่าไปนั่นเกิดความไม่พอใจเจ้าของโทรศัพท์ข้ัอีกอันนี้เกิดขึ้นจากการที่ไปยึด ต, ติด ก, กับปัจจุบันหมายถึงยึด ต, ติด ก, กับเสียงที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ บางครั้งเสียงอาจจะไม่ได้ดังที่ศาลาแต่ว่ามาจากข้างนอกเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถเครื่องหรือเสียงคุยกันข้างล่างถ้าใจาเราไปปักตรึงอยู่กับเสียงนั้นนะเราก็จะทุกข์ต้องวางนะต้องวางวางเสียงนั้นลงวางที่ไหนนะวางที่ใจก็คือใจไม่ไปยึดติด ก, กับเสียงนั้นมารับรู้นะอยู่กับ คำบรรยายมันไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนะบางทีมันอาจจะเป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยก็ได้ความเจ็บความปวดความเมื่อยนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่ถ้าเกิดว่าใจเราไปจดจ่อปักเตึงอยู่กับความปวดความเมื่อยนะเราก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นไอ้ที่ทุกข์เพิ่มขึ้นมาคือทุกข์ใจนะทุกข์กายนี่มันมีอยู่แล้วนะแต่พอใจไปปักเตืองอยู่กับเสียงนั้น าอยู่กับความปวดความเมื่อยมันจะมีความรู้สึกผักใสไม่ชอบเกิดโทสะขึ้นแล้วผักใส่แล้วมันไม่ไปมันไม่หายไปก็ยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่เกิดความขุนเคืองใจนี่เรียกว่าโทสะเป็นเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยเราไปปักตึงยึดติดอยู่กับความเจ็บความปวดความเมื่อยนั้นแต่ถ้าระวังใจเป็นเราก็ดูมันเฉยๆเขาเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็น ถ้าเราเห็นความปวดไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดเนี่ยนะมันมันก็ปวดแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยแต่เพราะเราไม่มีสตินะมันไม่ใช่ก็เลยไม่ใช่ก็เลยไม่ได้เห็นนะแต่เข้าไปเป็นเลยคือเป็นนี่ก็หมายถึงว่าเข้าไปยึดติดเป็นเราเป็นของเรานะเขา้าไปยึดติดเนี่ยนะมันจะมีความหมายสุดท้ายคือว่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเรา boro. และธรรมชาติของจิตเนี่ยนะถ้าหากว่า มันหลงนะหลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่น่าพอใจอารมณ์ที่เป็นลบเช่นความปวดความเมื่อยเราไม่ชอบแต่ก็อดไม่ได้ที่จะไปยึดติดนะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่ไม่น่ายึดเลยนะแต่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราในแง่ที่ว่า กิความสังคันบานหมายว่าฉันปวดความปวดเป็นของฉันอันนี้แล้วว่าเป็นเพราะไปยึด ต, ติดในอารมณ์ปัจจุบันแล้วทําไงถึงจะวางลงได้นะก็ต้องมีสติมีสติรู้ว่าใจเราปักตึงอยู่กับความปวดความเมื่อยแล้วใจเราไปปักตึงอยู่กับเสียงแล้วถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่มันก็ไปจิตมันก็พุ่งไปไปยึด ต, ติดไปแบกเอาไว้ทันทีเลย ไม่ว่าอารมณ์ที่ถ้าพอใจหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเช่นอาจจะมีเสียงเพลงไพเราะ ด, ดังขึ้นมาหรือมอีเสียงนกร้องไพเราะมากใจมันก็ไปจับตรงนั้นเลยแล้วเกิดความเพลิดเพลินยินดีขึ้นมาอันนี้ก็ยึดติดอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันก่อให้เกิดความยินดีเราก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหา เราจะรู้สึกเป็นปัญหาก็เมื่อใจเนี่ยมันเกิดอาการยินร้ายหรือเกิดความชังขึ้นมาเมื่อเจออารมณ์หรือเจอภัสนะที่เป็นลบที่บีบคั้นนะเกิดเวทนาขึ้นแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าใจเนี่ยหลงไปนะไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวมันก็เข้าไปยึดเลยนะแม้กระทั่งให้สิ่งที่บีบคั้นเสียแทง จิตใจนะเช่นอารมณ์ความปวดความเมื่อยความโกรธหรือว่าคําพูดการกระทําของใครบางคนที่ทําร้ายจิตใจของเราอันนี้เรียกว่ายึดติดนะนันจะว่าไปแล้วเนี่ยความตุงคนเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็เพราะความยึดติดถือมัน่นเริ่มตั้งแต่ยึดติดในความหมายที่ ง่ายๆพื้นๆคือไปจดจ่อใส่ใจกับมันนะไปหมกมุ่นคุค้นคิดกับมันเนี่ยเนี่ยยึดติดที่เราทําอยู่เป็นประจําไม่ว่าโดยเพราะเรื่องที่เป็นอดีตแล้วก็อนาคตรหรือสิ่งที่มาไม่ถึงยึดติดในความหมายที่ลึกไปก็นนคือยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแต่เอาเพียงแค่ว่ายึดติดเพราะในความหมายที่ใจไปจดจอ่อนะจดจ่อปักตึงเนี่ยนะ แค่นี้เราก็รู้ได้นะจากประสบการณ์ของเราว่ามันทำให้เป็นทุกข์มากแล้วมันก็แปลกนะาทาั้งที่ไปหมดมุ่นจดจ่อกับมันแล้วทุกข์นะเช่นไปนึกถึงเงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปทองที่ถูกโจรลักเอาไปหรือว่าคำตำหนิตีเตียนต่อว่าด่าทอนึกถึงมันทีไรก็ทุกข์นะ แต่ก็ยังอดนึกถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้ยิ่งโกรธยิ่งเกลียดอะไรเนี่ยใจมันก็ยิ่งยึกนึกถึงสิ่งนั้นยิ่งเศร้าเสียใจกับอะไรใจมันก็ยิ่งหมกบุ่นคุ้นที่กับสิ่งนั้นทั้งๆที่นึกแล้วคิดถึงมันแล้วใจก็ทุกเสียใจโกรธขับแค้นใจแต่ก็ไม่ยอมวาง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเท่านั้นที่มันปวดมันเจ็บมันเผาลนจิตใจแต่ก็ยังแบกมันเอาไว้นะก็เพราะลืมตัวนะเพราะความลืมตัวเพราะความไม่รู้ตัวถอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยนะมันวางเลยนะมันวางทันทีแต่เพราะความไม่รู้นี่แหละที่พอไม่รู้เนี่ยใจมันก็เลยไปแบกเอาของหนักเอาของร้อน หรือว่าไปเอาของมีคมนะมาทิ่มแทงจิตใจตัวเองเศษแก้วนะที่คมนะถ้าวางไว้บนมือเนี่ยมันก็ยังทำอะไรเราไม่ได้นะแต่พอเราไปการรแล้วก็บีบเนี่ยเกิอดอะไรขึ้นนะมันก็เชื้อมันก็บาดมือใครทุกนะมันก็เป็นเราที่ทุก แต่ทําไมเราถึงทั้งที่เจ็บนะแต่เราก็ยังการรยังบีบมันเอาไว้แน่นคำพูดที่บาดแทงจิตใจนะของใครบางคนเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงมันเราก็ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เวลาเรานึกถึงเราไม่ได้แค่นึกถึงเฉยๆเราคิดย้ำซ้ำทวนอยู่นั่นแหละคิดแล้วคิดล่าจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ มันก็ไม่ตายจากการที่เราไม่เพียงแต่ถือเอาเศษแก้วไว้ในมือเท่านั้นแต่เรียงกำรรแล้วก็บีบมันเอาไว้แน่นแล้วเราก็เจ็บเองแต่ทําไมเราไม่หยุดบีบไม่หยุดกำทั้งที่เจ็บปวดก็เพราะความไม่รู้ตัวเพราะความลืมตัวแต่ถ้าเรามีความมีสติมีความรู้สึกตัวมีความรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ย มันจะวางได้เองเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้เรานี่โง่แท้ๆนะที่ไปไปแบกมันเอาไว้ เ, เรานี่โง่แท้ๆที่ไปยึดไปกรรมมันเอาไว้อะสเตจึงสำคัญมากนะในการที่จะช่วยทำให้จิตใจเนี่ยปลดเปื้องจากความทุกข์ได้ลองพิจารณาดูดีๆถนะว่าไอ้ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ มันเป็นเพราะคนอื่นทำไม่ดีกับเราหรือเป็นเพราะว่าใจเราก็ไปเอออหอหมกไปร่วมมือด้วยนะก็คือไปเก็บเอามาคิดไปเก็บเอามาตอกย้าซ้าเติมแก้วนี้มันอยู่บนพื้นก็แทนที่จะปล่อยวางมันวางมันไว้บนพื้นก็หยิบมันมาวางไว้ใส่ไว้ในมือเท่านั้นไม่พ อ, อยังบีบยังกำมันเอาไว้แน่น นั้นถ้าเลือดไหลมีบาดแผลเนี่ยจะโทษใครเนีพระพุทธเจ้าตรัสว่ามือที่ไม่มีแผลจับยาพิษก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหรน่นะสัมผัสหรือจับต้องยาพิษมันก็เป็นอันตรายถึงตายได้คาถานิตรูเจ้าต้องการบอกอะไรบอกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ เราอย่าไปไปโทษที่สิ่งภายนอกอย่าพิดมันเป็นอันตรายก็จริงแต่ถ้ามือเรานะีไม่มีแผลมันก็ทำอะไรไม่ได้คำพูดการกระทำของใครต่อใครนะแม้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนแต่ถ้าใจาเราไม่ไปไปหมกมุ่นคุนคิดกับมันนะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน นะปล่อยให้มันผ่านเลยไปไม่แบกไม่ไม่ไม่ถือเอาไว้นะไม่เอามาหมกมุ่นคุนคิดนะเราก็ไม่เจ็บปวดนะนะตรงนี้แหละที่ท่านพระนันทิยาท่านพูดไว้เป็นรูปธรรมดีนะว่าเขาด่าว่าเราบนบกก็กองไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอาติดตัวลงน้ําเขาด่าว่าเราในน้า ก็ให้กองหรือวางไว้ตรงนั้นไม่ต้องแบกเอาขึ้นบกคำพูดเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักนะจับต้องไม่ได้แต่ว่าใจของเราเนี่ยมันพร้อมจะยึดพร้อมที่จะแบกเอาไว้ขึ้นบกลงน้ำไปบ้านเข้าห้องน้ำหรือว่าแม้กระทา่งเวลานอนก็ยังแบกเอาไว้ ทำไมเราไม่วางมันลงซะในเมื่อเราแบกก็เมื่อยนะบางทีมันไม่ใช่แค่เป็นเหมือนของหนักนะมันกลเป็นของร้อนเหมือนฐานฐานก้อนแดงๆฐานก้อนแดงๆเนี่ยนะเราจะไปบอกให้มันนะให้มันดับให้มันเป็นปุยนุ่นเป็นน้ำแข็งเนี่ยเราสั่งมันได้ไหมเราสั่งมันไม่ได้หรอก ก้อนหินน่ยนะเราจะสั่งให้มันเป็นปูนปุูนนุ่นเนี่ยเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือว่าเราเลือกที่จะไม่แบกมันเราเลือกที่จะไม่จับมันของแหลมนะเศษแก้วเราจะสั่งให้มันกลายเป็นหินมนๆเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราเลือกที่จะไม่ไปจับมันไม่ไปบีบไม่ไปกรมมันเอาไว้ น้ำแหลมแหลมนะเราสั่งให้มันเนี่ยกลายเป็นน้ำทื่ๆนะเป็นปุ่มทื่ๆนี่เราทําได้ไหมเราทําไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะไม่เดินเตะหรือไม่จับต้องมันได้แต่ที่เราหนักที่เราร้อนนะที่เราปวดที่เรามีแผลเพราะอะไรเพราะไปแบกมันเอาไว้ ไปจับกรรมมันเอาไว้หรือไปเดินเตะนั่นจะไปโทษสิ่งภายนอกนี่เราก็โทษได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าเราเองก็มีส่วนร่วมนะเราในที่นี้มันจิตใจจิตใจที่ไม่มีสติจิตใจที่ที่หลงจิตใจที่ลืมคือไม่รู้ตัวแต่พอรู้นี่มันวางเลยนะวาง อาจารย์โนต้ตเนี่ยท่านเคยเล่านะว่าตอนที่ท่านเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายนะของคณะสังคมธรรมศาสตร์เนี่ยต้องต้องไปฝึกงานท่านก็อยากไปฝึกงานกับองค์กรชาวบ้านหรือองค์กรที่ทํางานกับชาวบ้านแถวภาคอีสานแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาอยากให้ไปฝึกงานกับหน่วยงานราชการ ท่านก็ไม่เห็นด้วยก็มีการเจราจาต่อรองกันในสู่อก็ตกลงว <Yeah. S 1> ่าเออนันไปไปฝึกงานกับองค์กรที่ทำงานกับชาวเขาที่ภาคเหนือก็แล้วกันพอไปถึงวันไปถึงสถานที่จริงปรากฏว่าอาจารย์ให้ไปมอบหมายให้ไปที่กลมประชาสงเคราะห์โอ้ท่านไม่พอใจมากนะตอนนั้นยังเป็น คนหนุ่มไฟแรงก็ไม่พอใจว่าตกลงกันไปแล้วนะไม่ทําตามนั้นคืนนั้นนี่นะก็คุ้นคิดอยู่แต่เรื่องเนี้แล้วก็ไม่พอใจอาจารย์มากว่าลุ้งขึ้นอาจารย์ที่ปรึกษาก็มาแต่เป็นคนหลบคนนะกับที่ที่ได้เคยได้คุยกันเอาไว้พอนักศึกษาเจออาจารย์ที่ปรึกษาก็นะก็ต่อว่านะ ว่าอาจารย์ด้วยความไม่พอใจมีทั้งบทมีทั้งตัดพอ่อมีทั้งระบายความรู้สึกอาจารย์ก็ดีนะอาจารย์ก็นั่งฟังไม่ได้ตอบโต้เลยถึงจุดหนึ่งก็พูดทักขึ้นมาว่าเนี่ยสุตธิศาสคินะ้วของเธอนี่มันผูกเป็นโบเลยนะคิ้วของเธอนี่ถูกผูกเป็นโบเลยนะ พออาจารย์พูดท่านี้เนี่ยนักศึกษาได้สติขึ้นมาเลยความโกรธมันหายไปเลยนะพอรู้ตัวว่าโกรธเนี่ยนะความโกรธมันหลุดไปเลยคือตอนที่โวยใส่อาจารย์เนี่ยไม่รู้ตัวนะแล้วจิตใจก็ร้อนนะเพราะความโกรธความหงุดหิดความไม่พอใจมันมันเผาลน้น แต่พออาจารย์ทักขึ้นมาได้สติรู้เลยว่ากำลังปล่อยให้ความโกรธมันเผาใจก็วางเลยนะวางเลยเพรากว่าจิตใจก็โปร่งเลยแล้วก็เลยทำให้เกิดความความความทึ่งนะในอำนาจของสตนะิเพราะว่าตอนนั้นก็มีพื้นทางพุทธศาสนาอยู่บ้าง ก็ เ, เล้ว่าสตินี่มันทํางานอย่างไรพอแค่รู้ตัวเท่านั้นแหละนะมันวางเลยนะวางความโกรธเหมือนกับวางฐานร้อนๆ้อนนะเวลาเราโกรธนี่เราไม่รู้หรอกนะว่าเรากํานละังกำลังกำลังกําฐานร้อนๆอนไว้ในใจมันร้อนก็จริงแต่ไม่รู้ตัวนะก็เลยปล่อยก็เลยถือนะแล้วก็ปวด สาปวดร้อนหรือว่าคับแค้นใจเองงั้นถ้าหากว่าเรานะเห็นชัดเลยนะว่าทุกข์เพราะความยึดติดถือมั่นเนี่ยทุกข์เพราะไปเผลอยึดเอาไว้เราจะเห็นความสําคัญของสติมากสติจะช่วยทําให้เราหลุดเราวางได้เพียงแค่รู้ว่าไปแบกเอาไว้ไปยึดเอาไว้เนี่ยนะเท่านั้นก็พอละ แต่ก็แปลกนะักอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยเวลาทุกเนี่ยไม่ว่าทุกเรื่องอะไรก็ตามเราไม่ค่อยรู้ตัวนะว่าเรากําลังไปแบกกาลังไปยึดอะไรเอาไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะก็อยู่กินกับสามีมาส10บกว่าปีก็ดูหน้าเป็นเป็นครอบครัวที่อ่าลงตัวแล้ววันหนึ่งก็เพราะว่าสามีเนี่ย นอกใจนะเธอโกรธมากเลยที่เคยพูดวานๆพูดภายหลังกับสามีนี่เปลี่ยนกลับไปเลยนะเป็นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกูมึงเพราะรู้สึกว่าถูกหักหลังรู้สึกว่าถูกทำร้ายถูกทรยศสุดท้ายก็เลิกกันนะตอนที่เลิกกันเธอคิดว่าเนี่ยคงจะแย่นะปรากฏว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ก็ยังแปลกใจตัวเองว่าออสงสัยเป็นเพราะเราปฏิบัติธรรมมาพอเลิกกันแล้วก็ไม่ได้จิตใจก็ไม่ได้ตกต่ำายําแย่อะไรเพียงแค่ปรับตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวที่ต่อมาเธอก็ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมเจดวั น, นปรากฏว่าแค่ปฏิบัติธรรมนะวันแรกนี้ก็จิตใจก็รุ่มร้อนเลย รุมร้อนเพราะว่านึกถึงอดีตสามีนึกถึงการกระทําที่เขายําเยียดจิตใจของเธอโกรธมากไอท้ทีเธอคิดว่าปล่อยวางเอาไว้ได้แล้วเนี่ยหรือว่าทําใจได้แล้วที่จริงไม่ใช่ไอ้ก่อนนั้นนั้นเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าใจมันเพิ่มีเรื่องทำโน่นทํานี่นะแต่พอไม่มีอะไรทำํำพอมาปฏิบัติทําใจว่างมันก็ไป อดไม่ได้ที่จะนึกถึงสามีอดีตสามีที่นอกใจวันแรกก็ร้อนหาความสงบไม่ได้หรือวันที่สองก็เหมือนเดิมนะรุ่มร้อนเป็นวันที่สมก็เช่นกันแต่แต่เธอก็ยังนะยังปฏิบัติอยู่นะก็ไม่เข้าใจตัวว่าเกิดอะไรขึ้นวันที่สี่เนี่ยกำลังเดินจงกรมอยู่อตอนนั้นนี่เดินเดินเป็นชั่วโมงนะ ตอนที่เดินนี่ก็เอามือก็เอามือกลุมไว้ข้างหน้าอันเดินในท่านนั้นนานๆเนี่ยมือก็เมื่อยความเมื่อยก็ปล่อยมือปล่อยมือก็สบายไอ้ชั่วตรงนั้นเองที่จิตเนี่ยมก็ที่เคยรุ่มร้อนมันก็ปล่อยโปรงโล่งเบาสบายไปด้วยเพราะว่าได้เห็นเลยนะว่าไอ้ที่ปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อ น, นั้นที่ถูกพ่อไปยึดเอาไว้ ตอนที่ปล่อยมือแล้วสบายเนี่ยมันก็ได้คิดขึ้นมาเฉยว่าอ๋อไอ้ที่ทุกข์เนี่ยพ่อไปยึดไปไปแบกเอาไว้ปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นพอจิตมันเห็นตรงนี้มันปล่อยเลยนะคือไปไปได้สติคือได้สติได้คิดว่าเนี่ยได้รู้ว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเป็นพ่อไปยึดเอาเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเรื่องของอดีตสามีมันก็เป็นอดีตไปแล้วนะแต่ว่าเป็นเพราะเธอไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเอง ่ไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปนแล้วมันก็เลยไม่ไม่ต่างจากการไปแบกหินเอาไว้ไม่ตางจากการไปถือฐานร้อนๆไอตอนที่ทุกเนี่ไม่รู้ตัวนะมันก็หมกมุ่นคุณคิดอยู่กับเรื่องสามีได้ต่อว่า ด, าด่าทอโกรธแค้นเข้าในใจนะไม่รู้เลยว่าเนี่ยที่จริงเนี่ยความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคราวมากเท่ากับเป็นเพราะตัวเองนี่ไปแบกเอาไว้แต่การที่ปล่อยมือแล้วสบายเนี่ยมันทําให้ ได้คิดเลยนะว่า อ, อ๋อเราต้องปล่อยเรื่องนี้ออกไปจากจิตใจด้วยปล่อยออกไปจากใจเมื่อไหร่ก็สบายให้ตอนที่ทุกข์นี่ไม่รู้ตัวนะแต่ทันทีที่รู้ตัวไปแบกเอาไว้เนี่ยจิตมันจะปล่อยไปเองเลยถ้าจริงคนรำก็ฉลาดกันนะรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะไม่ไปแบกไม่ไปยึดไอ้ไอ้ความทุกข์เอาไว้เหมือนคนที่แบกตุ่มนะ เพื่อเพราะว่าไฟไหม้บ้านนะเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าก็แบกเอาไว้ก่อนบางคนก็แบกตู่บางคนก็แบกตู้เซฟไอตอนแบกนี่หนักก็หนักนะแต่ว่าไม่รู้ตัวหรอกเพราะวาความกลัวความตื่นตกใจนะแต่พอวิ่งไปได้สักพักนะไกลจากกองเพลิงแล้วนะความกลัวลดบรรเทาลงไปก็รู้ตัวขึ้นมาแล้วโอนแบกตุม่มแบกตู้เซฟเอาไว้ หนักก็หนักพอรู้เท่านั้นแหละมันวางเองเลยนะไม่ไม่แบกต่อไปแล้วสติเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะในการที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปแบกความทุกข์หรือแบกหรือแบกหรือถือฐานก้อนแดงๆมาทำร้ายจิตใจตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าสติคนเราเนี่ยนะมัน ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมันมักจะไม่ไม่พอกับการที่จะรู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นเลยพราะเวลาเจอเกิ ด, เ, กดเรื่องร้ายๆมากระทบอารมณ์มันท่วมทน้นมันครอบงำใจจนมืดจนหลงและพอหลงแล้วก็ยิ่งแบกเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรามีสติทันสติไวสติที่ว่องไวมันจะรู้ทันแล้วก็วางได้การวางอดีต อนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไปสนใจอดีตนะหรือว่าไม่สนใจอนาคตเพียงแต่ท่านสอนว่าอย่าไปคร่ำควรวญกับอดีตแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาอดีตเพื่อใครครวรอันนี้เป็นของดีนะอย่างที่เราทำกิจกรรมนะเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็มาพิจารณาว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ให้การที่เราไปกลับไปประเมินกลับไปพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในแบบนี้ถือว่าดีเพราะว่าเราไปใคร้ควรวญเพื่อหาบทเรียนอันนี้เป็นการพิจารณาอาดีตด้วยด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่ไปคร่ำควรวญนะด้วยความหลงด้วยความลืมมันต่างกันนะเราจะเข้าเราจะมองอดีตด้วยสติปัญญาหรือเราจะหลงจมอยู่กับมันยังขาดสติ อนาคตก็เหมือนกันนะเราจะวางแผนอนาคตก็ก็เป็นสิ่งที่ควรทําหรือการที่จะมองไปข้างหน้าว่าข้างหน้าเราเนี่ยนะมันมีปัญหาอะไรมีประสาทอะไรรออยู่บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรทำํำพระพุทจากคนแนะนำนะในบทสวดมันก็บอกเนี่ยเพอเราทั้งหลายมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าหรือว่าการพิจารณาว่าคนเราไม่ช้าไม่นานก็ต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องพัดพรากแล้วก็ต้องตายให้การที่รู้ว่ามันมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ใช้ชีวิต อ, อย่างประมาทหรือเวลาเราทำงานแล้วก็มีการวางแผนไปยังอนาคตอันนี้เป็นของดีเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าไปไปคิดด้วยความอาด้วยความวิตกกังวลนะปล่อยให้มันเล่นงานจิตใจ น, นี้ไม่ถูกต้อง การอยู่กับปัจจุบันก็เช่นเดียวกันอยู่กับปัจจุบันนะไม่ได้หมายถึงการยึดติดกับปัจจุบันที่ติกับปัจจุบันนี่ไม่ดีแต่เรารู้เท่าทันปัจจุบันนะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็รู้เท่าทันนะเราก็จะสามารถใช้ปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ได้นะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรื่องของการที่คำคำสอนของพระุทธเจ้าที่บอกให้ปล่อยวางอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ได้ขัดแย้งนะกับการที่เราจะ หันไปทบทวนอดีตวางแผนอนาคตหรือว่าการพยายามที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้จะทำได้ต้องอาศัยสตินะอ่าลักคำนี้กพูพกัธท่านนี้กลับมาพร้อมกัน